โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวชและนิสากรไพบูลย์ศิลป์ในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้มาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ 11:30 น. ถึง 12:00 น. 12นโดยประมาณนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันฝากเรื่องของมาตรการป้องกันการระบาดโรคมือเท้าปากค่ะ โดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกวิธีป้องกันไว้ 2 วิธีค่ะว่าถ้าหากพบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบมีไข้สูงและเป็นแผลในปากมือเท้าให้หยุดเรียนและไปพบแพทย์ทันทีค่ะและวิธีป้องกันที่ 2 นะคะหลังจากให้เด็กที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคหยุดเรียนแล้วนะคะก็ให้ทําความสะอาดศูนย์อนุบาลหรือเนอร์สเซอรี่ค่ะเพราะว่าโรคมือเท้าปากหรือ Hand Foot Mouth นี้ติดตามกันทางปากอุจจาระเสมหะและน้ําลายค่ะ หมากไว้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้รายการหมุนตามเวลานะคะมีข่าวที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะโดยในช่วงแรกนะคะช่วงหมุนตามเทคโนโลยีมีผลสํารวจของ Global Language Monitor ค่ะพบว่ามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ครองแชมป์อันดับ 1 มหาวิทยาลัยในสหรัฐที่มีการกล่าวถึงบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกค่ะอีกข่าวนึงนะคะก็เป็นข่าวจากบริษัทญี่ปุ่นได้สั่งให้พนักงาน ตัดผมสั้นนะคะเพื่อช่วยชาติประหยัดไฟฟ้าค่ะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมมีข่าวจากนครเมลเบิร์นในออสเตรเลียสามารถเอาชนะนครเวลคูเวอร์ในแคนาดาในการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกค่ะและอีกข่าวนึงนะคะก็เป็นข่าวการเก็บภาษีขนมไหว้พระจันทร์ค่ะและ ช่วงของมุนตามโลกเด็กและเยาวชนกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มพื้นที่ปลอดเล่าในเขตกรุงเทพมหานครนะคะและห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และอนุญาตให้จําหน่ายได้ตามเวลาที่กําหนดเหมือนกันทั่วประเทศเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันทุกช่วงรายการค่ะมุนตามเทคโนโลยี ผลการสำรวจของ Global Language Monitor พบว่ามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสามารถที่จะมาครองแชมป์อันดับ 1 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีการกล่าวถึงบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกค่ะโดยฮาวาร์ดสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างเช่นมหาวิทยาลัย Northwest และมหาวิทยาลัย California วิทยาเขต Berkeley ครั้งนี้โดยการอ้างอิงจํานวนครั้งที่มีการกล่าวถึงบนเว็บไซต์โดยการสืบค้นจากการใช้คําและวลีที่ปรากฏในเว็บบล็อกสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ค่ะ ทางด้านนายพรภายักษ์ประธาน Global Language Monitor ได้กล่าวถึงผลการสำรวจนี้นะคะว่าเพื่อเป็นการสำรวจสถาบันการศึกษาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษาแล้วเป็นตัวบ่งชี้ความเจริญเติบโตของสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและสถาบันการศึกษาเอกชนค่ะมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ครองอันดับ 1 นะคะครั้งล่าสุดในปี 2008 แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ได้ถูกมหาวิทยาลัย North Western นะคะได้ชิงตําแหน่งอันดับ 1 ไปและในปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยฮาวัดก็ได้กลับเข้ามาครองตําแหน่งดังกล่าวอีกนะคะบนอินเทอร์เน็ตค่ะ ทั้งนี้ 10 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ตนะคะอันดับ 1 ก็คือมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดอันดับ 2 คือมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นอันดับที่ 3 ก็คือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กเลย์อันดับ 4 มหาวิทยาลัยโคลัมเบียอันดับ 5 สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียแคลเทค อันดับ 6 เป็นสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ค่ะอันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยชิคาโกอันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินและอันดับที่ 10 คือมหาวิทยาลัยคอนเนคทิคัตค่ะเราไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะบริษัทเมด้าได้มีมาตรการ สั่งให้พนักงานของบริษัททั้งหมด 2,700 คนตัดผมสั้นทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะทั้งนี้เพื่อช่วยประเทศประหยัดพลังงานโดยภายใต้คําสั่งนี้ได้ระบุให้พนักงานชายตัดผมรองทรงและให้พนักงานหญิงตัดผมทรงบ๊อบค่ะในขณะที่นางชิซุรุอิ โนเอะซึ่งเป็นโฆษกของบริษัทได้บอกว่าบริษัทเชื่อว่าสําหรับพนักงานหญิงที่ตัดผมสั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไดเป่าผมและใช้น้ําน้อยลงทั้งนี้ก็จะช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นประหยัดพนักงานได้มากและนะคะบริษัทก็จะใส่ใจคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้พนักงานใช้มาตรการต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ ทั้งนี้รายงานยังได้ระบุด้วยนะคะว่านับตั้งแต่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิได้รับความเสียหายจากเหตุสึนามิถล่มเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้เรียกร้องให้ประชาชนลดการบริโภคไฟฟ้าลงโดยภัยพิบัติดังกล่าวนี้นะคะทําให้ทางการญี่ปุ่นต้องมีการทบทวนนโยบายพลังงานที่จะมีการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เหลือเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น แล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าประชาชนของญี่ปุ่นก็ได้ทําตามที่รัฐบาลเรียกร้องด้วยนะคะก็มีการลดการบริโภคไฟฟ้านะคะหลายๆบ้านก็จะมีการงดเปิดเครื่องปรับอากาศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นนะคะก็ไม่ได้มีการอาบไม่ใช้เครื่องปรับอากาศและอากาศก็ค่อนข้างร้อนก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่สบายหรือว่าเป็นลมแดดกันเป็น จำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ทําให้เราเห็นภาพเลยนะคะว่าประชาชนของเขานี้นะคะมีความการที่จะช่วยเหลือประเทศชาติอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะหลายๆภาพข่าวนะคะที่ออกมาจากญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าประชาชนของเขาเนี่ยมีการรณรงค์นะคะแล้วมีการกระทําในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้านะคะในเรื่องของการประหยัดน้ําประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ แสงงามเธอคืนวันเพ็ญแสงนวลฉ่ำเย็นใครเห็นต้องเป็นลมมอสะท้อนลำธารป่านสายน้ำในเขียงครอง And the crayba N Modifi Fo do you ไฟใครเพลงรักของพี่มีไว้ให้ใจเพียงเดียวในหัวใจโปรดเก็บไว้ไฟไหม้มีงามสั่งจันทร์โอ้จันทร์วันเพ็ญทำนองเย็นเห็น ให้แม็กนาโนไม่รักไม่ว่าอย่าหายมาให้ใจสั่นขอชมกันเก็บกันเป็นฝันก็พอ baby playing บทนี้รู้ไหมคนดีพี่มีใครฝากใคร playing rock complete มีไว้ให้เธอหนึ่งเดียวในหัวใจโปรดเก็บ ten when pain ไกลเพียงไหนก็คงอย่าลืม Love by มีเหมือนนั้นไม่รอดไม่ว่าอย่าหายหน้าให้ใจสั่นขอชมแค่นั้นเก็บแทนที่ฝันก็พอ เป็นวันเถิดมุ่งตามสังคมและเศรษฐกิจ ดูช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะนครเมลเบิร์นในประเทศออสเตรเลียสามารถเอาชนะนครแวนคูเวอร์ในประเทศแคนาดาในการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นผลจากการสํารวจเมืองทั่วโลกโดยเว็บไซต์ Economics Intelligence Unit ค่ะครั้งนี้เป็นการสํารวจ 2 ครั้งต่อปี คุณฝั่งค่ะการสำรวจนี้นะคะเป็นการจัดสำรวจ 140 เมืองทั่วโลกค่ะแล้วเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลียก็ได้แซงหน้าแวนคูเวอร์ซึ่งครองแชมป์นานถึง 10 ปีค่ะขณะที่แวนคูเวอร์ตำแหน่งนี้นะคะอยู่ที่อันดับที่ 3 นะคะโดยอันดับที่ 2 ก็คือกรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรเลียค่ะ คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจากการสำรวจครั้งนี้เมืองต่างๆในออสเตรเลียได้ติด 10 อันดับนะคะโดยซิดนีย์อยู่ในอันดับที่ 6 เพิร์ทและแอดิเลดครองอันดับ 8 ร่วมกันค่ะในขณะที่แคนาดาก็อยู่ในอันดับสูงเช่นกันนะคะอย่างเช่นโตรอนโตอยู่ในอันดับที่ 4 และคัลการีอยู่ในอันดับที่ 5 รวมไปถึงกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ในอันดับที่ 7 โอ๊คแลนด์ในนิวซีแลนด์ครองอันดับที่ 10 ค่ะ การสำรวจและจัดอัญดับเมืองที่ Omaha อยู่ที่สุดในโลกนี้มีการให้คะแนนจากการพิจรณาสถินละภาพและสังคมอาตราการเกิดอัตชยากรรมการเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพการจัดกิจกรรมทางวัฒนัศรรมสิ่งแวดล้อมการศึกษาและมาตฑหารของครงสร้างพื้นฐาน Economist Intelligent Unit ได้เปิดเผยว่าประเทศออสเตรเลียมีความหนาแน่นของประชากรและอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่ปัจจัยดังกล่าวก็ทําให้ออสเตรเลียมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะถามว่าอย่างกรุงปารีสนี่อยู่ใน อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะคะกุ้งปลาริยิชของอันดับที่ 16 ค่ะกุ้งโตเกียวอันดับที่ 18 นะคะโฮโนลูลูของร้านฮาวายอันดับที่ 26 สําหรับลอนดอนอยู่อันดับที่ 53 ค่ะสิงคโปร์อันดับที่ 52 ค่ะเราไปกันที่ประเทศจีนกันนะคะสํานักข่าว Global Thai ได้รายงานว่าทางการจีนได้ประกาศเก็บภาษีขนมไหว้พระจันทร์ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิค่ะ ทำให้เกิดกระแสไม่พอใจเกิดขึ้นกับกรุงปักกิ่งนะคะเมืองหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการสำรวจความคิดเห็นนะคะโดย Microbox เหวยปัวพบว่า 96% ของผู้ตอบแบบสอบถามคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีขนมไหว้พระจันทร์ค่ะเพราะพวกเขาคิดว่าหากมีการเก็บภาษีพวกเขาจะไม่รับขนมไหว้พระจันทร์ที่ได้รับมาเป็นของขวัญ รายงานนี้ระบุว่ากรมศุลกากรจีนไม่ได้ให้เหตุผลในการเก็บภาษีขนมไหว้พระจันทร์และราคาของขนมประเภทนี้ได้พุ่งสูงขึ้นมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตได้หันมาผลิตขนมไหว้พระจันทร์นี้นะคะในลักษณะต่างๆและทําให้ชาวจีนเกิดความต้องการที่จะอยากบริโภคมากขึ้นค่ะขณะที่ขนมไหว้พระจันทร์กล่องปกติจะมีราคา 100 หยวนหรือแล้วๆ400 บาทนี้นะคะ ถ้าหากว่ามีการจําหน่ายเพิ่มสูงขึ้นและทางการจีนเก็บภาษีนะคะก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้บริโภคของกรุงปักกิ่งค่ะขนมไหว้พระจันทร์นี้นะคะคุณผู้ฟังคะทํามาจากแป้งลูกบัวบดทอดกับน้ําตาลค่ะถือว่าเป็นรายได้ประเภทไม่ใช่เงินสดนะคะและต้องเสียภาษีนะคะทางการจีนให้เหตุผลอย่างนั้นนะคะ ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนนี้จะจัดขึ้นกลางฤดูใบไม้ร่วงและจะมีการกินขนมไหว้พระจันทร์ในเทศกาลดังกล่าวค่ะ โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน 8 นะคะซึ่งอาจจะเป็นเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมก็ได้ค่ะการจัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้เป็นการระลึกถึงเทพธิดาแห่งพระจันทร์ที่เชื่อกันว่าถือกําเนิดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 12 กันยายนในบ้านเราก็มีขนมไหว้พระจันทร์ขายนะคะแต่ถ้าหากว่าใครเคยได้ไปที่ประเทศจีนนะคะไม่ว่าจะเป็น สาธารณรัฐประชาชนจีนในกรุงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งหรือจะเป็นเซินเจิ้นนะคะหรือแม้แต่มาเก๊าฮ่องกงหรือไต้หวันนะคะคุณผู้ฟังก็จะพบว่าขนมไหว้พระจันทร์ของเขานั้นมีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่ละรูปแบบก็ล้วนแล้วแต่หน้าระประทานทั้งสิ้นเลยค่ะ ผ่านไปนะคะสําหรับ 2 ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนมีข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะเพิ่มพื้นที่ปลอดเหล้าในเขตกรุงเทพมหานครค่ะและห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ด้วยค่ะหมุนตามโลกเด็กและเยาวชน นาย 태นรง สหเมธาภพซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสถานที่ราชการและส่วนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ ว่าตามบันทึกข้อตกลงนี้นะคะจะกําหนดให้สถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกํากับดูแลของราชการห้ามขายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะโดยจะอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะในร้านค้าหรือสโมสรที่เปิดบริการเป็นประจําหรือถาวรค่ะ และห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และขายได้เฉพาะเวลาที่กฎหมายกําหนดนั่นก็คือเวลา 11:00 น. ถึง 14:00 น. และ 17:00 น. ถึง 24:00 น. น. 24 น. ค่ะซึ่งเวลากําหนดนี้นะคะก็จะเป็นแนวปฏิบัติที่เหมือนกันทั่วประเทศค่ะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าสิ่งที่จะดําเนินการในปีแรกก็คือการเร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดผู้มีอิทธิพลสิ่งอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน รวมไปถึงเหล้าด้วยนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการมอมเยาวชนให้ริลองหลากหลายรูปแบบให้ดื่มง่ายสังเกตยากขึ้นทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่กดขันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มข้นและลงโทษอย่างจริงจังค่ะและจากการติดตามเฝ้าระวังผู้กระทําผิดเรื่องเหล้ามีการเปิดสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมงนี้นะคะก็ได้รับแจ้งถึง 36914 เชลียวละ 11 สายค่ะและพบว่าในจํานวนนี้ร้อยละ 71 อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงได้เร่งให้เข้มงวดกดขันร้านค้าสถานประกอบการและเพิ่มความถี่ตรวจเตือนเรื่องกฎหมายให้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายเหล้าบริเวณรอบสถานศึกษามหาวิทยาลัยและการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ค่ะ นั่นก็จะเป็นการกดขันนะคะอย่างค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วนะคะ ค่ะวันนี้วารังคานดิฉันมีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ค่ะโดยวันนี้เป็นข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีที่จะเชิญชวนผู้สนใจนะคะกับการ ใช้สีน้ำการวาดภาพระบายสีน้ำนะคะเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สีน้ำได้เทคนิคการวาดภาพสีน้ำค่ะโดยรุ่นที่ 1 ใชนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอบรมวาดภาพสีน้ำเบื้องต้นในวันอาทิตย์ที่ใช 11 กันยายนและรุ่นที่ 2 เทคนิคการใช้สีน้ำขั้นสูงในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายนค่ะ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ด้วยตนเองทางหมายเลข 025493636 นะคะหรือจะเข้าไปสมัครได้ค่ะที่ www.library.rmutt.ac.th ค่ะทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต้อย่างใดค่ะห้ามใจเท่าไรหัวใจก็ยังไม่ฟังยังหวัง ว่าเธอจะสนใจทั้งๆที่เธอเห็นเรา มันถึงทําเราร้องไห้เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บตัวใจขีด รู้ไปไม่อาจทําใจก็ me sad to me sad ที่มีปาที่ Do you have fun thinking my been คนรักเธอ Did I Mm-hmm การรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ดิฉันนิสากรเพียบุญสินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพันธ์อาภาเวชและนิสากรเพียบุญสินใน Мун там біля.